หน้าต่อเก่าทั้งนั้นนะ <c oughs> ไปไหนก็เจอหน้าหน้าอย่างนี้แหละ <c oughs> ที่จริงคนเข้าวัดมีจํำนวนไม่มากมนะ <c oughs> ีนิดเดียวสถานที่แห่งนี้นะหลวงพ่อเคยมาตั้งแต่หลายปีมาแล้วตั้งแต่ก่อนจะสร้างที่นี่เมื่อก่อนมีการอบรมกรรมฐานครูบาาจารย์วัดป่าท่านมาในที่บ้านหลวงชินในหมู่บ้านนี้ มาบ้านหลวงจิไม่พอเลยมาสร้างตรงนี้ขึ้นมาครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตามาสืบต่อกันมาเรื่อยๆมีอยู่องค์หนึ่งคือครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเองคือหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุทธท่านก็เคยสั่งสั่งกันต่อๆมาบอกว่าอย่าทิ้งที่นี่ทิงสถานที่นี้แต่ น, นี้ที่นี้ทําประโยชน์ให้กับคนมากนี่หลวงพ่อเอง ไปบวชใหม่ๆไปอยู่ที่เมืองกาโยมทางสารูชินยมพิกิตรยมที่ติว๋วที่จิ๋วรูปรูคินเปยไปนิมนต์หลวงพ่อบอกให้มาที่นี้หลวงพ่อก็ปฏิเสธมาตลอดนะเพราะว่าเราเป็นพระใหม่ทะเลือกสลามมันคงไม่ดีน่าเกลียด น, นี่ตอนนี้ผม่อย้ายวัดไปอยู่ศรีราชาที่ศรีราชานี้ มันใกล้นะใกล้กรุงเทพแต่ว่ามันไม่ค่อยมีรถไปจาท่าหยวพ่อก็นึกถึงคนซึ่งเดินทางยากจะไปหาหลวงพ่อที่สีราชาเินยากพอดีพวกเด็กกลางธรรมบุทธนาคืเแล่กนี้ไปอกให้มาช่วยสอนในกรุงเทพที่ได้จะชวนไปที่บันนาเ น, นานะพ่อมาที่นี่ดีกว่าจริงๆก็คือ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 คำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยท่านไม่ได้สอนให้พวกเราหนีชาวพุทธจริงๆต้องเป็นนักต่อสู้ไม่ใช่คนขี้แพ้ความคุกขอยู่ที่ไหนท่านสอนให้เราเข้าไปเรียนรู้ที่นั่นความคุกขอยู่ที่กายของเรานี้ข้ามาเรียนรู้ที่กายความคุกขอยู่ที่จิตใจข้ามาเรียนรู้ที่จิตใจของเราที่จริงแล้วคนก็สแสวงหาทางคนทุกข์มาตลอด ใครก็อยากค้นทุกข์ทั้งนั้นก่อนพระพุทธเจ้าเขาก็สแสวงหาทางค้นทุกข์กันกระทั่งหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรมันก็สแสวงหาทางค้นทุกขอ์ออกมานี่การสแสวงหาทางค้นทุกข์ที่มีมาตลอดเนี่มันก็สแสวงหาไปได้ตามชั้นตามภูมิตามความเข้าใจตามสติปัญญาของแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางคนหาทางค้นทุกข์ด้วยการเสพตุด แสวงหาอารมณ์ที่เพื่อเตือนพอใจทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจเช่นรุ้งใจขึ้นมาไปดูหนังไปฟังเพลงไปหาอะไรสวยๆดูไปทัศนจรไปหาของอร่อยๆกินแก้กลุ่มหรือไปคิดอะไรให้เผลอๆเปลิปลปลนๆ น, นี่ก็เป็นวิธีหาความสุขอย่างหนึ่งหาความสุขอย่างโลกๆหาความสุขโดยอาศัยการกระทบทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจ วิธีหาความสุขอย่างนี้พวกสัตว์ในฉานก็ทำเป็นเช่นมันหิวขึ้นมาก็ไปหาอะไรกินกินอิ่มแล้วมีความสุขนี้ต่อมาคนมีสติปัญญามากขึ้นเห็นมะลำพังวิ่งหาความสุขทางตาหูจมูกริ้นกายใจยังไม่สุขจริงหรอกต้องเที่ยวหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจไปเรื่อยมันขึ้งพิงสิ่งฝ่ายนอกมากไปหลายคนก็เลยมาหาความสุขทางจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะพวกาวัดทั้งหลาย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 พวนี้ก็ฝึกเข้าฌานกันนะฝึกเข้าอารูปฌานหนึ่ฝึกเข้าอารสันดีเป็นกลมลูกฟักหรือเข้าอารูปฌานไม่รับรู้โลกภายนอกไม่สนใจโลกภายนอกไม่มีอะไรมากระเตือนไม่มีสิ่งใดมากระทบพอไม่มีอะไรมากระทบใจก็ไม่ต้องกระเซือกเนี่ยในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานี่วิธีหาความสุขมันมีสามแบบแบบนี้อันแรกเจ้หาหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจ ตอบสนองกิเลสไปเรื่อยๆแล้วก็มีความสุขการหาความสุขอย่างนี้เป็นความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลเรียกว่าอกุญญาที่สังขารหรือเป็นความสึกตรงในข้างที่เรียกว่าการมาสุขขันธิการุโยคตามใจกิเลสแล้วมีความสุขอย่างที่สองที่คอยควบคุมคอยบังคับตัวเองอันนี้เรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายกุศลเรียกกุญญาที่สังขารหรือเรียกอัตตปิตรัมภานุโยค การบังคับควบคุมตัวเองการปรุงแต่งอย่างที่สามหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์เรียกอานเนนชาที่สังสอนนี่ในโลกมีความปรุงแต่งสามอย่างนี้การปรุงแต่งสามอย่างนี้จะทําไปเพื่อตอบสนองอัตราตัวตนทั้งสิ้นเพราะเราไม่รู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเราคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราอยากให้ตัวเรามีความสุขอยากให้เราตัวเราพ้นทุกข์ก็เลยต้องดิ้นรนปรุงแต่งสามแบบนี้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 จะ เ, เห็นความจริงเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเหรอกกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนผ้าความดิ้นรนหวงแหนร่างกายก็จะสลายไปหรือเรียนรู้ลงไปที่จิตใจเนี่ยเห็นเลยจิตใจเป็นของไม่เที่ยงนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสุข ก, ก็ชั่วคราวนะทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวนะทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาถึงจิตถึงใจเราล้วนแต่ของชั่วคราวทันนะกระทั่งตัวจิตตัวใจเองก็ของชั่วคราว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 ครูบาาจารย์สอนมานะอย่างหลวงปุ่เทศเคยสอนบอกรู้ทุกข์นั่นแหละละสมุทัยถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ว่ากายในี้ใจนี้ไม่ใช่เราละละสมุทัยคือละความริ้นรนใจมันจะเลิกริ้นรนเที่ยววิ่งหาความสุขเลิกดิ้นรนเที่ยววิ่งหนีความทุกข์ใจที่มันเลิกดิ้นรนมันจะเข้าถึงความสงบสุขแท้จริงอันนี้เรียกว่านิโรดนิโรธหรือนิพพานนั่นเอง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 ขันก็คือกายกับใจเรานี่ เ, เป็นเครื่องเสียดแทงนี่หน้าที่พวกเราคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจตัวเองกนะรรมาฐานเนี่ยถ้าเลยกายเลยใจของเราออกไปแล้วก็มันเสือแปะมันอ้อมคล้อมแปงั้นให้คอยรู้อยู่ที่กายคอยรู้อยู่ที่ใจครูบาอาจารย์รูปหนึ่งเนี่ยสอนหลวงพ่อสมัยหลวงพ่อยังไม่ได้บวดแต่ท่าสรุปให้ฟังง่ายๆนะท่านบอกว่าการปฏิบัตินเนี่ยนะ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 เราไม่รู้อะไรเลยที่เกี่ยวกับตัวเราเองไม่รู้อะไรที่เกี่ยวกับกายกับ ใ, ใจเรารู้แต่เรื่องราวที่เราคิดเอาเองการที่รู้เรื่องราวที่คิดเอาเองนันะเรียกว่ารู้สมมติบัญจัติในขณะที่การรู้กายรู้ใจเรียกว่ากายกับใจเป็นอารมณ์ปรมตภพฟังแล้วฟังน่ารุ่มใจเอาเรียกว่ากายกับใจก็แล้วกันนะให้คอยรู้กายรู้ใจไว้คนในโลกไม่รู้กายรู้ใจมีแต่คนลืมตัวมีแต่คนหลงมีแต่คนเผลอ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 อาสจัจจ์ดูในพระไตรปิฎกนะเวลาพระพุทธเจ้าเทศจบเนี่ยคนจะบูทานนะอาสจัจย์จ ร, งจรงิงๆแจ่มแจ้งนะักพระเจ้าข่าไม่แจ่มแจ้งนะไม่ใช่ว่าสับสนนักพระเจ้าข่านะแจ่มแจ้งนะักพระเจ้าข่าเหมือนเปิดของคว่ำให้เหงาของงนะ่ายๆพระพุทธเจ้าก็เหมือนคนจุดไฟขึ้นมาแล้วคนตาดีก็มองเห็นแสงสว่างมองเห็นสิ่งต่างๆนั้นธรรมะจริงๆไม่ใช่เรื่องยาก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 ธรรมะมันลงกันนะสายไหนก็เหมือนกันแหละถ้าทําถูกต้องก็อันเดียวกันหลวงพ่อเตียนท่านสอนบอกว่าถ้าเมื่อไห ร, ร, นะไ ร, รไ่รู้ว่าจิตชิดถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตชิดจะได้ต้นทางการปฏิบัติรู้ว่าจิตชิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตชิดสองอันนี้ไม่เหมือนกันในโลกนี้มีแต่คนที่รู้เรื่องที่จิตชิดแต่ไม่รู้ว่าจิตกํลาลังแอบไปคิดอยู่งั้นหน้าที่ของเราค่ศึกษา ค, ค่อยสังเกตตัวเอง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 เนี่ยเราจะฟังไปคิดไปบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อนิดนึงนะและ้วก็มาฟังฟังแล้วก็คิดเราไม่เคยเห็นเลยว่ากระบวนการทํางานของใจเรามันทําแบบนี้เดี๋ยวฟังเดี๋ยวดูเดี๋ยวคิดนะจริงมันไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละแต่ที่ไปมากก็คือไปทางตาไปทางหูไปทางใจขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยสัยงเกต ด, ดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวดูเดี๋ยวคิดสลับไปเรื่อยๆนี่ให้เราไปรู้ทันนะ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 ยืนอยู่ก็ยืนขยับไปเรื่อยๆนะเดินมันก็ขยับอยู่แล้วล่ะเดินมากๆมันก็เมื่ อ, อยนะนอนอยู่ยังเมื่อยเลยกลางคือเนี่คนเรานะคนปะกะติเนี่ยสมมติ น, นอนแปดชั่วโมงจะนอนพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกซ้ายพลิกขวาไม่ต่ำกว่ า, า, วาห้าสิบครั้งทำไมต้องนอนพลิกก็เพราะมันมันเป็นทุกข์นั่นเองความทุกข์มันบีบพันร่างกายมันทําให้ต้องคอยขยับหนีไปเรื่อยๆอีริยาบต์คือการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ย มันปิดบังทําให้เรามองเห็นความทุกข์ของกายไม่ได้เงั้นอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยนั่งแปะนั่งให้สบายๆนะมีตังมากๆไปซื้อเก้าอี้ตัวละแสนมานั่งก็ได้ดูซิมันจะมีความสุขจริงไหมถ้าไม่ขาดสตินั่งปรเดี๋ยวเดียวก็จะเห็นแล้วมันทุกข์นะมันทุกข์จริงๆมันทุกข์ล้วนๆนั่งไม่ขยับคือทุกข์ตาเลยนะถ้าเป็นอมาาัมพาตเป็นอะไรยิ่งกระดุกกระดิกไม่ได้นะทุกข์มากเลยเราประดินฐ์หนีความทุกข์ไปทั้งบัน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 กลงคือก็ฝันต่ออีกนะเหมือนทรมานมากมีความทุกข์มากคอยรู้อยู่ที่จิตใจเราเนี่ยจะเห็นเลยจิตใจที่ทุกข์มากจิตใจต้องทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่ได้พักผ่อนบุกตั่งตลอดเวลาเจ้านายมันโปกมันตับตลอดเวลานี่เราก็ไม่รู้เราไม่เคยเห็นเราเป็นทาสที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นทาสเมื่อเราเป็นทาสที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นทาสเนี่ยเราไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้เพราเราไม่รู้ว่าเราเป็นทาสอยู่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 พอเรียนหนัสือจบแล้วก็อย่างนั้นอย่าง ن, นะั้นนะนะไม่เห็นมันจะสุขตรงไหนเลยในนี้ก็มีด็อกเตอร์หลายคนแนละ้วไม่เห็นจะมีความสุขเท่าไหร่มันสอนเราต่ออีกนะถ้าได้งานดีๆจะมีความสุขถ้าได้เงินเดือนเยอะๆจะ ม, ม, มีความสุขมีคำว่าั่าตลอดเลยนะถ้าได้ตําแหน่งใหญ่ๆจะมีความสุขมีแต่คาว่าท่าเพราะฉะนั้นชีวิตนี่วิ่งหาความสุขทั้งชาติเลยนะไปถ้าได้มีครบอบครวัวที่ดีๆจะมีความสุขมีลูกฉลาดๆจะมีความสุข แต่ไปพอแก่ๆนะถ้าวันไหนไม่เจ็บไม่ไข้จะมีความสุขพอแก่มาก dynamics. จะใกล้ตายเจ็บปวดทรมานมากเราจะรู้สึกไม่ใหม่อีกละถ้าตายจะได้จะมีความสุขหรือจนตายยังคิดติดนะถ้าตายได้จะมีความสุขเนียวิ่งหาความสุขไปเรื่อยๆนะวิ่งคลานคลานๆนะยิ่งกว่าหมาถูกน้ำร้อนนะพูดพูดแบบง่ายๆวิ่งคลานตลอดเวลาแล้วมันจะมีความสุขที่ไหนมันไม่ได้มีความสุขความสุขมันรออยู่ข้างหน้าตลอดเวลาวิ่งหาตลอดชีวิตก็ไม่ได้มันมา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 วิธีดูจิตใจนะขั้นแรกง่ายที่สุดคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไว้ความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันนะบางวันตื่นขึ้นมาก็สดชื่นบางวันตื่นขึ้นมาก็แห้งแล้งจิตใจไม่เหมือนกันดูเป็นวันวันได้ก็ดูเป็นเวลาตอนเช้าบางคนจะรีบมาสารารุงชินนักเพื่อนไว้เพื่อนมาสายใจก็กลุ่มใจนะหงุดหงิดนะจิตใจหงุดหงิดหลงพ่อมาใหม่ๆเริ่มฟังใหม่ๆตื่นเต้นฟังมาหลายนาทีชักจะง่วง แต่ดูใจของเราความรู้สึกของเราเปีตยนแต่หัดดูไปได้แน่ไม่ใช่หัดบังคับนะไม่ได้เรียนเพื่อจะบังคับกายบังคับใจแต่หัดดูให้เห็นความเป็นจริงนะกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์กายนี้ใจนี้บังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ฝึกบังคับฝึกนะ ด, ดูให้เห็นความจริงจิตใจไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสุข ก, ก็ชัว่วคราวทุกข์ก็ชัว่วคราวนะดีก็ชัว่วคราว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 รู้สึกไหมพอหลวงพ่อหยุดพูดใจเราเริ่มเริ่มเคลื่อนไหวนะรู้สึกไหมนี่หัดดูไปอย่างเนี้ยหัดดูลงปัจจุบันนะง่ายง่ายง่ายมากบางคนหลวงพ่อบอกง่ายมากมก็เลยบอกยากเยอะนะแต่ครูบาอาจารย์ทุกองคนะที่หลวงพ่อเคยสัมผัสมาท่านบอกง่ายหลวงปู ด, ดูลีก็ว่าง่ายหลวงปูดเทพหลวงปู่สิมอะไรเงี้ยว่าง่ายง่าย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 หนูข้อเตือนก็สอนนะคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวอะไรเงี้ยผู้บรรจาร์จริๆงๆแต่เราสอนนิดเดียวเวลาใจเราคิดมันหลงไปพอเรารู้สึกขึ้นมามันก็ไม่หลงแนละ้วหลงก็ตายไปเหมือนแมวมาจับหนูไปแนละ้ะจริงๆไม่ได้ยากอะไรหรอกหลวงพ่อเทศไม่เป็นนะเทศไม่เป็นหรอกธรรมดาจะสอนกรรมฐานสอนทีละคนสองคน Ate, สอนให้หัดดูสภาวะหัดดูสภาวะเช่นขณะนี้ใจลอยไปแล้วก็หัดรู้ไว้นะขณะนี้เผลอไปแล้วขณะนี้สงสัยขึ้นมาแล้วรู้ไว้นะเี่กหัรู้ขณะนี้ฟังแล้วไม่รู้เรื่องรําคาญนะ้รู e ้ว่ารําคาญขณะนี้ชักซึมๆึมแล้วรู้ว่าซึมซึมหัดรู้ไปอย่างเนี้ยหัดรู้ไปเรื่อยๆหลักจริงๆมีเท่านี้เองนอกนั้นจะเป็นเรื่องวิธีการนะ้เป็นเรื่องอุบายแต่ละสำนักไม่เหมือนกันสำนักไหนก็ใช้ได้นะหลัก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 คนไหนหัดดูท้องของยุกก็ดูไปนะหลวงพ่อไม่ได้ห้ามดูท้องของยุกไปเรื่อยๆใจหนีไปคิดอีกแล้วใจหนีไปคิดก็รู้ทั น, นใจเข้าไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกข์ใจเกิดกุศลเกิดนักกุศลอะไรก็รู้ทันหัดรู้สภาวะของใจไว้นะคนไหนขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนน ะ, ะทนําจังหวะขยับมือขยับมือไปก็ขยับต่อไปได้ไม่ห้าม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 ฉะนั้นสรุปแล้วก็คือทํากรรมฐานอะไรก็ได้เบื้องต้นเนี่ยทำมันสักอย่างหนึ่งก่อนทํามันเพื่ออะไรเพื่อจะได้คอยหัดรู้สภาวะความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตนเองนะมีรูปแบบการปฏิบัติสักอันหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวตั้งถนัดอะไรเอาอันนั้นแหละไม่ต้องเปลี่ยนนะ ถ, ถนัดอะไรเอาอันนั้นแต่ว่าทํากรรมฐานอันนั้นแล้วจิตใจของเราเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยในที่สุดเวลาเราเห็นซ้ําำ ๆ, ๆไปนานๆ น, นะพอจิตเราเผลอต่อไปพอจิตเผลอปั๊บเนี่ย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 ใใคล้ายๆเรายืมเสื้อสวยๆเข้ามาใส่นะยืมมาแล้วยืมเลยไม่อย่างคืนแต่รู้แล้วว่าไม่ใช่ของเราลระโสดาบันรู้แล้วว่ากายกใจไม่ใช่ของเราแต่หวงคอรู้ไปเรื่อยเลยโอ้กายนี้ทุกล้นๆห น, นิไม่ใช่ทุกบ้างสุดบ้างจิตปล่อวางความยึดถือกายได้จิตจะมาตั้งมัน่นทรงตัวเด่นดวงนะสว่างไสวยอยู่มีความสุขอยู่ที่จิตอันเดียวปล่อย ng, วางกายได้นี่ภูมิของพระอานาคามี ตามาสติปัญญาแก่รอบจริงๆเนี่ยเห็นว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ตัวสุขนะแต่เดิมคิดว่าจิตเวทจิตผู้รู้แล้วเป็นตัวสุขจิตที่หลงตามกิเลสเป็นตัวทุกข์คิดอย่างนี้ถานาคามีก็รู้สึกอย่างนั้นอานาคามีก็ยังรู้สึกว่าจิตตัวจิตผู้รู้นี่เป็นสุขจิตตัวผู้รู้มันอยังเป็นตัวดีจิตที่หลงไปจากการรู้นี่เป็นตัวไม่ดีเป็นตัวทุกข์เห็นเป็นสองอย่าง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 เลยไม่รู้ว่าทุกขี่สุดในโลกทางกายเป็นยังไงทีพวกเราปไปมาหาดูนะทุกขี่สุดในโลกทางใจก็คือตัวจิตผู้รู้ของเรานี่แหละมันจะทุกขี่สุดในโลกที่ดูพอเห็นว่าเป็นตัวทุกข์จริงๆก็จะปล่อยวางนะ้ก็จะไม่ไปหยิบฉวยอะไรขึ้นมาอีกเนะพราะรู้แล้วว่ากระทั่งสิ่งที่ดีที่สุดวิเศษที่สุดยังเป็นตัวทุกข์เลยบางท่านสติปัญญากล้า ท่านเห็นเลยตัวจิตผู้รู้ไม่ใช่ตัวเราเหรอท่านกว้างทิ้งเลยนะท่านปล่อยวางทิ้งเฉยๆเลยปล่อยวางได้าเห็นม่ามันว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยสลัดทิ้งไปคราวนี้พอปล่อยวางความยึดตือจิตได้แล้วเนี่ยมันไปอีกแบบหนึ่งจิตใจมันไม่มีขอบมีเขตแล้วมีความสุขล้วนๆค่อยฝึกนะค่อฝึกธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์เข้าใจนิดหน่อยก็มีความสุขแล้ว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 ส่นหนังสือหลวงพ่ออ่านยากนะอ่านยากอ่านยากฟังซีดีก่อนยังง่ายกว่าฟังไปแล้วก็ไปสะเกตดใจแต่ไปสักพักหนึ่งไปอ่านหนังสือโอ้จะเก็ดกับเข้าใจนะ c ีดีหลวงพ่อกับหนังสือหลวงพ่อรับราไม่เหมือนใครนะฟังแต่หลักสั้งฟังแต่ละกสร้า ง, ง, งอ่านแต่ละกสร้งเข้าใจไม่เหมือนกันก้าท้าเลยนะอลองดูฟังสั้นๆหนึ่งแล้วลองปฏิบัติ แล้วก็มาฟังใหม่เข้าใจไม่เหมือนเดิมหรอกลองอ่านดูแล้วปฏิบัติแล้วมาอ่านใหม่รับลองไม่เหมือนเดิมมีเรื่องที่เราเคยอ่านแล้วก็ไม่สะดุดตาสะดุดใจค่าไปเยอะแยะเลยนจะค่อยๆกระจายขึ้นทีละจุดทีละจุดค่อยๆฟังไค่อยๆศึกษาไปไม่ต้องรีบร้อนนะหลวงปู่เทสบอกว่าชีวิตเป็นของหาง่ายไม่ต้องรีบร้อนปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติกระทั่งชีวิตเลยค่อยๆทำค่อยๆดูค่อยๆรู้ไปแต่ไม่ขี้เกียจนะ ไม่ได้บอกให้ขี้เกียจ น, นะต้องดูทุกวันดูยิ่งดูมากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ไม่ใช่ดูแบบลุกนี้ลุกลนอยากไปได้ความรู้ไวๆอยากหลุดูพ้นไวๆพวกนี้ไม่หลุดพ้นหรอกไป <Yeah. S 1> ด, ดูดูเล่นๆไปแต่ขยันดูดทุกวันทุกวันในสุดก็เข้าใจาเข้าใจมันก็จะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้เพราะว่าเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดปัญญาปล่อยวางได้ไม่ใช่เพราะบังคับเอาหลายคนคิดชอบบังคับตัวเอ ง, บ, ง บ, บังคับบังคับปล่อยวางไม่ได้หรอก เก็บกดเฉยๆดูดีดูดีดูเรียบร้อยไม่ดีจริงหรอกพอหรอือยังหลวงพ่อใาลที่หนึ่งคนไม่กี่คนนะเยอะๆหรือจะพูดยังไงนะเห็นหน้าก็ตาลายแล้วในเกณฑ์ไม่ไมพอหลวงพ่อพูดเล่นพวกเรารู้สึกขวันทายรู้สึกไหมรู้ทันความรู้สึกของตัวเอง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 เอาใครจะถามอะไรเชิญเอเดี๋ยวหลวงพ่อตอ้องอธิบายก่อนนะหลวงพ่อมาที่เนี่ยเพื่อจะมาสงเคราะห์คนที่ไปที่โน่นยากงั้นพวกหน้าต้าตากจากที่โน่นอย่าถามเลยนะ <c oughs> ในคนไหนยังไม่เคยไปเรียนหรือไปเรียนยากๆะนะอยากคุยกับหลวงพ่อก็ได้นะพวกที่ขับรถไปได้ก็ให้โอกาสคนที่เขาไม่มีโอกาสหน่อย บางคนบอกหลวงพ่อมาส่งคล้องชาวลานคับเข้าใจผิดนะชาวลานทําแขนขายาวขับรถรถุดรัดรุดรัสเดี๋ยวเข้าวัด น, นั้นวันนี้นะช่วยตัวเองเอาหลวงพ่อเห็นใจคนที่ขึ้นรถเมย์ขึ้นรถเมยไปยากนะทำไม่เห็นใจมากเพราแต่ก่อนหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ขึ้นรถเมยไปไปยากแล้วนั่งรถไปทั้งคืนเลยไปถึงแล้วยังต้องไปเดินบางทีเดินอีกตั้งวันลําบากครูบาอาจารย์อยู่ไกล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 ไปขี้เกียจขึ้นมาเมื่อไหร่นะดูขี้เกียจขี้เกียจก็ดูขี้เกียจไปดูไปเลยห้ามเลิกนะการปฏิบัติต้องกัดติดนะต้องกัดติดกัดไม่ปล่อยหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่วันที่ยี่ิบสามกุมภาปีสองห้าไปหาหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตตัวเองตั้งแต่วันนั้นไม่เลิกดูจิตเลยนะดูทั้งวันเลยยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดนะ่ะ เวลาที่เราทํางานที่ใช้ความคิดเนี่ยเราดูจิตใจดูกายอะไรนี้ไม่ได้ไม่ใช่เวลาปฏิบัติเขาไม่ได้จ้างเราปฏิบัติเขาจ้างเราทํางานนะนั้นให้รู้รู้กายรู้ใจไม่ได้นะก็ต้องไปจดจ่ออยู่กับเรื่องราวที่เราทํางานแต่เวลาที่เหลือเนี่ยเราต้องคอรู้กายรู้ใจตัเองหลงพ่อฝึกตั้งแต่เป็นค า, ารวนะตั้งแต่ยี่สามพฤษภาสองห้าดูทุกวันเลยตอนนั้นรับราชการอยู่นะตื่นนอนตอนเช้านึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งเลยรรนะาชการชั้นดีนะ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 นี่เป็นอย่างนี้นะราชการชั้นดีสมัยหอวงพ่อพอจะขึ้นรถเมย์ไปทํางานเห็นคนเต็มป้ายรถเมย์เลยมีความสุขไหมเไปขึ้นรถเมย์ไหมนะมีเพื่อนร่วมทางห้าร้อยคนรอจะขึ้นรถขันเดียวกันเนี่จิตใจไม่มีความสุขแนะรู้ว่าไม่มีความสุขนะขึ้นรถเมย์รถเมย์ว่างๆนะมีความสุขอนะัดดูอีกนี่ดูทั้งวันเลยนะตากระทบรูปนะตาไปมองเห็นอะไรความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันที่ใจเรานะ่ะ เห็นหมาบ้าวิ่งมาใจมันกลัวรู้ว่ากลัวเยรู้ว่ากลัวแล้วต้องหลีกให้ทันนะไม่ใช่อุเบกขานะงโง่นะยืนให้หมากัด น, นะต้องหลบไม่ใช่อุเบกขาแบบควายหลวงพรอชาต้อเรียกอุเบกขาแบบควายนะ้ำฝนตกหลังคารั่วก็ไม่ซ่อมบอกว่าอุเบกขาอะไรเนงะี้ยต้องมีสติปัญญารักษาตัวตามมองเห็นความรู้สึกเปลี่ยนแปลงรู้ทันนะจมูกได้กลิน่นนะ เช่นเราอยู่ในบ้านเราเนี่ยอยู่อยู่ได้กลิ่นอะไรเน่าเน่านะเราจะไม่สบายใจสงสัยจิ้งจบมาตายหรือหนูมาตายเนี่ยรู้ว่าไม่สบายใจเวลาไปอยู่ตามวัดในป่าได้กลิ่นเน่าเน่ารับราไม่คิดถึงจิ้งจบกับหนูนะสงสัยผีจะมาแล้วคราวนี้คราวนี้เปรี่ยนเป็นกลัวกลัวรู้ว่ากลัวเนี่ยหัดดูไปอย่างนี้ตามองเห็นความรู้สึกเปลี่นก็รู้หูได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนก็รู้อะไรเกิดขึ้นใจเราไปคิดความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปก็รู้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 นะการปฏิบัติที่สํำคัญที่สุดอยู่ที่ชีวิตประจําวันเราไปเข้าคอสเข้าวัดเพื่อรู้วิธีปฏิบัติเมื่อรู้วิธีปฏิบัติแล้วต้องมาใช้ให้ไดนะ้วิธีปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่ง่ายที่สุดนะก็คือการดูจิตตัวเองนั่นเองเนะช่นคนเขาชมเรานะใจเราพองเลยเราก็รู้ว่าดีใจแล้วนะคนเขาว่าเรานะใจเราโมโหขึ้นมาเรารู้ว่าโมโหแล้วอยู่ในชีวิตธรามดานะการปฏิบัติตไม่หนีออกไปจากโลกนี้เลยอยู่กับโลกนี้แหละ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 ครูสนเกิดน้อยนะอรูศอนเกิดเยอะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวเบือเวเว่อเดี๋ยวหงุดหงิดนะจะเป็นอย่างนี้ทั้งวันถ้าเก็บปวดนะไม่เป็นเพ่งนิ่งๆชื่อๆ น, นะมีความสุขอยู่ชัางวันก็รู้สึกว่าดีที่จริงไม่ดีซ่อนกิเลสไหมค่ะเรียนถามท่านนะคว่าท่านบอกว่าเมื่อเรารู้สึกอะไรขึ้นมาให้โกรธเรารู้ว่าโกรธไม่ต้องเลไมนะ ม, มันอดภาคไม่ได้ใหม่ๆมันภาคทุกคนแหละ เราห้ามมันไม่ได้มันจะภาคาภาคก็จิตมันฟุ้งซ่านไปก็ช่างมันนะไม่ห้ามนะห้ามไม่ได้จิตจะพาคก็ห้ามไม่ได้เออมันอดมันอดภาคไม่ได้ก็ช่างมันดูไปนะฝึกหลายปีกว่าจะเลิกภาคการดูกายเรา้องแยกกับน้ำใช่ อย่นี่รูปที่เรารู้จักเนี่ยนะเราเราแต่ละคนไม่เห็นรูปเรารู้แต่อย่างร่างกายที่เห็นมือใช่ไหมนี่มือไม่ใช่รูปนะมือคือสมมติบัญญัติกรังไม่เรียกมือเรียกแผ่นคนจีนเรียชิ่วอเงี้ยสิ่งที่ตาเราเมาเห็นจริงๆก็คือรูปถต่ว่าตาเรามองเห็นอะไรเรามองเห็นสีที่สัดกันเป็นรูปร่างอย่างนี้และตัวสีเนี่ยเป็นตัวรูปที่แท้จริงหรือตัวที่นั่งอยู่เนี่ยนะมีความรู้สึกตัวที่นั่งอยู่นี้เป็นรูป เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอะไรก้อนหนึ่งที่มันมานั่งอยู่นี่ที่มันมาเดินอยู่นี่แต่ถ้ามันมีความรู้สึกว่านี่มือนี่เท้านี่แขนนี่ขานี่ท้องอนนะไรนั่นเป็นอวัยวะต่างๆเป็นบัญจัิถ้าอาวัยวะแต่ละชิ้นที่เป็นรูปจริงๆก็คือธาตุนั่นเองสิ่งที่เรียกว่าผมก็คือธาตุอย่างหนึ่งนะก็ธาตุ่นหนึ่งไม่ใช่ธาตุอย่างหนึ่งธาตุ่มหนึ่งนะที่เราสมมติเรียกว่าผมนะผนเล็บปันหนังก็คือธาตุแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่ม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 มันจะเป็นวัตถุเป็นก้อนท่าให้ดูเราจะรู้สึกทันทีเลยตัวนี้ไม่ใช่เราล้เป็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งอย่างนี้เราจะรู้สึกถึงความมีอยู่ของสิ่งบางสิ่งนะซึ่งเรียกว่ารูปจิตมันต้องหลอด ถ, ถอนขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะมาจะเจริญปัญญาเห็นกายเป็นตัวรูปนะรูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้จิตต้องตั้งมั่นขอดเพราะฉะนั้นกายานุปัสสนานี่เหมาะกับสมถะญาณ้เหมาะกับคนเล่นฌาน ครูบาอาจารย์เราส่วนใหญ่นะมาสรารูขินนี่ส่วนมากครูบาอาจารย์สายวัดป่าไม่ครูบาอาจารย์วัดป่าทําสมาธิก่อนมาทําสมาธิจน จ, จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะหลวงพ่อเข้าวัดป่าสมัยก่อนนะเข้าวัดไหนก็จะได้ยินครูบาอาจารย์พูดแต่คําว่าจิตผู้รู้นะเดี๋ยวนี้รุ่นหลังๆนี่เข้าไปที่ไหนจะได้ยินเรื่องนิมิตรู้สึกไหมนิมิตไม่ใช่เรื่องจิตผู้รู้ละมันเปลี่ยนเรื่องไปนะสมัยก่อนเข้าตรงไหนครูบาอาจารย์จะสอนแต่เรื่องจิตผู้รู้มีจิตตั้งมั่นอยู่เป็นคนดู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 เพาจริงๆมันเป็นรูปอยู่แล้วเราไปสมมุติว่าเป็นกายเพราะความคิดของเราเองเป็น อ, ว, ว, น อ, นอวัยวะน้นอวัยวะนี้เพราะความคิดดังนั้นถ้าจิต ถ, ถอนตัวเองมาเป็นคนดูเนี่ยเราจะเห็นรูปได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นการเห็นรูปการเจริญกายานุปัสสนาที่จะเอามรค น, นิพพานนะควรจะทําสมาธิแต่ต้องเป็นสมาสมาธินะมิจฉาสมาธิประเภทนั่งเคลิมงอกแงงอแงงไม่ได้กินหรอกนะขับสุติปองเนี่นนสุดจะมาเกด็นอยูตามโภคสิทธิ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 เช่นจิตฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าไปทำสมาธิก่อนจะไม่มีจิตฟุ้งซ่านให้ดูจะ ม, มีแต่จิตสงบนะก็จะเที่ยงอยู่อย่างนั้นเองเิยเๆวิธีอะไรนะรักกาปัจคุณคุณต้องเป็นผ้านัก้าให้ได้ก่อนอออยังไม่เป็นไม่รักหรอกนะคุณต้องเคยนะสมัยก่อนมีคล้ายๆอะไรนะ่า เป็นเพื่อนกับหลวงพ่อใกล้ชิดกันมากเลยนะเหมือนพี่เหมือนน้องกันไปวัดด้วยกันกตอนนั้นหัดใหม่ๆเลยไปหาหลวงปู่เทศจิตตะอ่องนั่แหละนะไปหาหลวงปู่เทศนะก็ถามประโยคที่คุณถามเนี่นะคล้ายๆกันหลวงปู่ครับผมจะละกามจะทํำยังไงหลวงปู่ยิ้มบานะแต่ท่านใจดีนะใจดีกว่าหลวงพ่อเยอะเลยท่านก็พยายามตอบให้จะละได้ต้องเห็นโทษนะ เห็นละกาลมีทุกข์มีโทษถึงจะละได้แต่คนที่จะเห็นว่ากาลมีทุกข์มีโทษต้องเป็นผ้าน า, าคาถึงจะเห็นนี้ของเราก็คือเป็นเทาความรุนแรงของมันจะตั้งขึ้นท่านแรกเลยมีศีลศีลสําคัญ น, น, นะมีศีลก่อนถึงต้องการในการมคุนอารมณ์รุนแรงแค่ไหนอย่าให้ผิดศีลศีลเป็นมาตรฐานท่านต่ําสุดของมนุษย์แล้วหลังจากนั้นถ้า่อกามมันเกิดขึ้นน่เรามีวิธีจัดการหลายอย่าง ดีที่สุดเลยรู้ลงไปเลยว่ากามมันเกิดขึ้นนะรู้ว่าราคาเกิดขึ้นรู้ว่าราคาเกิดขึ้นราคาก็จะตั้งอยู่ดับไปให้ดูนะถ้าดูตรงนี้ไม่ได้ก็จะเห็นอีกนะมาดูที่กายเราก็ได้เห็นเลยกามกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งากามก็อยู่ส่วนหนึ่งจะมันแยกแยกแยกขันไปเรื่อยก็ไดนะ้หรือไม่ได้จริงๆเนีเวลาการมราคาอะไรเกิดขึ้นมันจะชวนให้คิดมันะจะชวนให้คิดเช่นคิดถึงสาวอย่างโน้นอย่างนี้คิดจะไปหลอกเค้านะชอบ เนะขาพามันคิดเลยคิดปฏิปุ้นคิดอสุภะอะไรเงี้ย น, นะนี่เป็นการเตะผมออกไปเรียกว่าสมถะสมถะเพราะฉะนั้นเราจะสู้ด้วยสมถะก็ได้สู้ด้วยวิปัสสนาก็ได้แล้วแต่ความพร้อมทางจิตใจของเรานะพอการมาราคาเกิดขึ้นรู้ทันมื่กามเกิดขึ้นการก็ตั้งอยู่ดับไปให้ดูจิตตัวเราเป็นแค่คนดูไม่ได้กระเทือนอะไรกับการเลยนะนี่แบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งสมมติผู่้ไม่ไหวจริงๆนะทำสมถะ สมสถะที่เหมาะกับการสู้กามก็คือการพิจารณา ก, กายลงเป็นสติปุลเนี่ยนะสุภะครูบาอาจารย์ชอบสอนเยอะนะในครูบาอาจารย์วัดป่าชอ บ, บสอนปฏิปูลสุภะเพรามันคมราคะถ้าหนุ่มเน้นน้อยก็มาพิจารณาอย่างนี้ก็เอาตัวรอดได้ถ้าเกิดไปพิจารณาสุภะเนี่ยโอโน่นก็สวยนี่ก็สวยนะเดี๋ยวก็เสร็จเลยแต่คุณยังละไม่ได้นะขั้นแรกสุดคุณคือสิ่งไหมต่อ ม, มาหักเจริญสติ สุดให้สติตัวจริงเกิดนะวิธีทําสติให้เกิดก็คือหักรู้สภาวะไปนะเหลอไปแล้วก็รู้คิดไปแล้วนะเพ่งแล้วก็รู้สุข ก, ก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้นะราคะเกิดก็รู้โทสะโมหะเกิดก็รู้ไปเรืนะ่อยๆต่อไปสติเกิดพอ ร, ราคะเกิดปุ๊บสติเกิดปั๊บเลยราคะจะเด่นหายไปเลยนะต่อหน้าต่อตาโมหะดูยากดูยากที่สุดเลย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 จิตนะที่รู้สึกตัวเป็นตัวแทนของป่ายกุศลสั่งให้เกิดไม่ได้เกิดแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้ด้วยมีแต่เกิดแล้วก็ดับนะในที่สุดเลยรู้เลยจิตทุกชนิดนะทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเกิดแล้วดับบังคับไม่ไดนะ้เรียนส่วนย่อยแล้วรู้ทั้งหมดเรียกว่าเรียนแบบสุ่มตัวอย่างนะภาษาปลาเราเรียกว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตเรียนส่วนน้อยแล้วรู้ทั้งหมด งั้นคุณเรียนแค่ว่าใจเราไหลไปแล้วเราก็รู้ทันต้องรู้ตื่นขึ้นมานิดนึงไหลไปอีกรู้ใหม่มีคนหนึ่งนะอาจารย์สุรวัตรเขียนหนังสือเรื่องนับหนึ่ง是是มีแต่รู้กับเผลอรู้กับเผล่นะนั่นแหละไปลองไปอ่านดูนะเล่มเล็กๆนะถ้าเข้าใจตรงนั้นนะ้ามาทําได้แล้วทำได้ทั้งวันนะเพราะจิตเราทั้งวันมีแต่จิตที่รู้กับจิตที่เผล่นะถ้าแยกด้วยความหลงเนะี่ยธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการคิดธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยปากการฟังคำตอบ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 กายกใจนี่แหละคือครูสอนธรรมะเราคนอื่นสอนธรรมะเราไม่ได้ท่านะนถึงสอนเนี่ยบอกว่าอดีปสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดเห็นไหมไม่ได้ยกธรรมะให้นะแต่ให้มาลองปฏิบัตดิดูนะวิธีลองทํำยังไงโอปนา ย, ยิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองน้อมมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจตัวเองเสร็จแล้วจะมีปัจจิตตังเวทิสะโพวินยูหิวินยูชนรู้ด้วยตัวเองธรรมะต้องรู้ด้วยตัวเองนะ เราลืมตาไว้ถ้านั่งสมาธิแล้วหลับนะเดินไหมเดินโยงลมไหมนะแต่ว่านิสัยพวกเราพอชอบนั่งสมาธิเราชอบไปนั่งหลับตาเนะี่ยมานั่งหลับตาเดี๋ยวเดี๋ยวก็เพิ่มง่ายนะยิ่งเปิดเทปครูบาอาจารย์ที่เสียงนุ่มๆหน่อยนะฟังไปเดี๋ยวก็คำนับพัทําทไปด้วยนะคำนับไปชั่วโมงตื่นขึ้นมาแหน่สดชื่นบอกวันนี้ภาวนาดีนะ <c oughs> <c oughs>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 นะเพราะจิตที่มีสติจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะนุ่มนวลอ่อนโยนมันจะเบามันจะคล่องแคล่วว่อ ง, วงไวนะไม่ใช่หนักแน่นแข็งซึมชื่นนะ <c oughs> คิดแต่แก้ไหม <c oughs> อยากแก้ไหมรู้ว่าอยากมันอะไรนะ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 เข้าไปสัมผัสความจริงนะสัจจะอริยสัจคือความจริงของพระอริยความจริงของพระอริยก็คือกายนี้เป็นทุกใจนี้เป็นทุกน่าจะอยากนะใจมันใจมันยังแข็งเกินไปรู้สึกไห้ยังบังคับตัวเองอยู่แข็งเกินไปจิตที่แข็งเกินไปนะไม่เป็นกุศลแท้หรอกยังอยากปฏิบัติอยู่แต่รู้ทำตัว น, นี้นะ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 หนวงพ่อตอบเลยนะตอบรวมๆเลยนะพวกนั่งสมาธิแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มโยกๆยกเกิดอาการต่างๆนาน า, นานานะลุกขึ้นมาเดินจงกรมไหมนะไม่มันเดิ น, นเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไเพราะใจเราเนี่ยน้อมเข้าไปหาความนิ่งเราไปบังคับตัวเองไปน้อมใจเข้าไปเกาะความนิ่งๆิลืมตัวแล้วรู้สึกไหม <c oughs> เวลาที่ถามหลวงพ่อรู้สึกไหมหลงไปอยู่กับความคิด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 มันเป็นอัตราหรอถึงจะทำได้อยากหายไหมให้รู้ว่าอยากนะกิเลสเกิดขึ้นมาให้รู้ตรงรู้ทันกิเลสเรานะอย่างเป็นต้นว่าเรานั่งแล้วโ ง, ง่เ ง, ง, ง, งี้งโง่เงีงทำไมอยากหายอยากหายมีหลายวิธีเลยอยากหายรู้ว่าอยากหายไปใจเป็นกลางกับมันนะแล้วมาดูซิทำไมมันงกเงกเพราะมันขาดสตินะนะการทำสมาธิต้องมีสติกากับตลอดสายนะการปฏิบัติทำยิ้งสติไม่ได้ ถ้าเราทำสมาธิโดยทิ้งสติมันจะกลายเป็นมิจฉาสมาธิฉับปันเลยจะเคลิมๆเลเียวก็เห็นโน้นเห็นนี่น ะ, ะไม่เห็นก็บุญแล้วนะแค่เห็นด้วยตาก็กิเลสมาไม่ทันแล้วนะเห็นด้วยใจอีกอยิ่งไปใหญ่เลย แต่ว่าสิ่งที่คุณปล่อยตอนนี้คุณจงใจปล่อยไปคุณรู้สึกไหมในใจของคุณเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่นิ่งคงที่อยู่ส่วนนี้เป็นส่วที่แปลกปลอมขึ้นมาต้องปล่อยด้วยสติปัญญาไม่ใช่ปล่อยด้วยการกบฏใจไว้ก็ถูกเหมือนกันเออพุทโธได้นะได้สมถะ นะเช่นความโกรธเกิดขึ้นเราพุโทโธหรือเราโกรธน้อโกรธน้ อ, นอหายโกรธเนี่ยเราแก้ความโกรธได้ได้สมถะนะจิตใจสงบก็ดีแล้วนี่ ด, นะดีแล้วอย่างน้อยก็ไม่ไปอับ า, ายละเอดีนะออนะแต่ดีแบบสมถะแก้อีกคนละพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะธรรมะมีสองขั้นนะธรรมะมีสองส่วน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 โอทานผ่านโซ่สายทานจนหมดแล้วนะใกล้เวลาเลิกแล้วแก้อีกแล้วจะเรียนสมาธิหรือเรียนวิปัสสนาว่ามาเอาวิปัสสนาไม่แก่นะวิปัสสนาก็คือใจเราแข็งแข็งขึ้นมารู้ว่าแข็งแข็งนะหัดสังเกตตอนตื่นนอนนะพอตื่นนอนปั๊บเนี่ยพอเราคิดเรื่องการปฏิบัติเนี่ยใจเราจะกระดุกกระดิกลุกนิกลุกนก ล, ก ล, ก ล, กลิกนิดนึ่งนะแล้วก็เข้าไปเกาะนิ่งนิ่งไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นตั้งแต่ต้นทางที่มันจะเข้าไปเกาะเนี่ยมันจะไม่เข้าไป เอางี้เอางี้นะหลวงพ่อว่าถามหลวงพ่อเท่าไหร่ก็ไม่จบ น, นะใส่มีซีดีแล้วเอา c ีดีไปปังนะซีดีหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อกล้าท้าอย่างหนึ่ะตอบได้ทุกเรื่องไ ป, ป้ังเอานะ